หนั <Okay. S 1> งสือเล่มนี้หยิบขึ้นมาดังเท่าเดิมเหมือนเดิมหรือดังกล้องดังกล้องกว่าเดิมไปปรับหรือเปล่าเปรัาให้มนเข้ากับสองไม้เหรอ ว่าคำให้มันขาดถ้าเราว่าคำไม่ขาดสั้นมันก็เป็นยาวได้มันจะเอื้อนเสียงมันจะลากเสียงอยู่เรื่อยเราว่าคำไม่ขาดสมาัสสสามมาสัมบุโทโธสัมซามาสามุทโธอเงี้ยคือมันลากมันไม่ชัดคำต้องขาด ขาดปึ๊ดๆเลยคำเนี่ยอ่ามีตัวสะกดไม่มีตัวสะกด R E U A O เสียงยาวก็ทมขาดปึ๊ดปื๊ดปื๊ดป A E U ก็ทำขาดปื๊ดปื๊นะครับว่าคำคือปากเบาๆอย่าไปปากหนักอย่าไปคำหนักก็าปากหนักปากเบาๆ ปากเบาๆนี่มันมันมันมันจะปรับกันได้ดีเมื่อวานเมื่อวันเมื่อเช้านี่เราบอกปากเบาๆสัหน่อยอย่าปากหนักเออมันเข้ากันดีนะมันเริ่มเข้ากันดีแล้วมันเริ่มเข้ากันดีสระเสียงสั้นเสียงยาวอ่าสระไอพยัญชนะมีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดว่าให้ขาดปืดปืดปืดว่าคําให้มันขาดถ้าคาไม่ขาดนี่ มันชักจะเอื้อนอยู่เรื่อยมันชักจะลากอยู่เรื่อยมันกลายเป็นตัวสั้นกลายเป็นเสียงเสียงสั้นกลายเป็นเสียงยาวแล้วมันลากเสียงอยู่เรื่อยเราเราปรับได้อย่างนี้มันจะไปได้เร็วแล้วเราขึ้นปั๊บหนึ่งคำสองคํานี่ยเราก็รับตามไปได้เลยปล่อยๆท่านวาจนหมดเป็นฟากยังค่อยขึ้นตามนะสีลังกาเขาถือเนี่ยเขาต้องวาได้หมดทุกคำเลยนะเราไม่เสียดายคำที่เราไม่ได้ว่าด รีบรับใช่ย้ายคนขึ้นเกอ้อนานขับนานรับมันก็เกอ้อเขินการที่เราพูดเนตบอกเตือนกันมันได้ประโยชน์ไม่งั้นเราไม่เข้าใจการที่เราสวดให้ไพเราะมันได้ความอ่อนนิ่มนะมันได้ความสละสลวยมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ กลับเอาแล้วว่าไปด้วยแล้วฟังด้วยนะปากว่าไปแต่หูฟังด้วยฟังผู้นําเนี่ยไม่ใช่ตะโกนเอาตะโกนเอาไม่ฟังใครอะ่ะมันไม่เข้ากับใครอะ่ะเราอยู่กันสามสี่เดือนตลอดทั้งพรรษาบางทีสวดยังไม่เข้ากันเลยถ้าหากเราไม่รู้ระเบียบนะแต่ถ้าเรารู้ระเบียบไม่นานเราก็เข้ากันการสวดไม่เข้ากัน เปิดมาได้หน้าแปดธรรมวัดเย็นอารหังสัมมาสัมบุทโธภะกวาอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝ่ายพังเฉยให้รีบรับอารหังเนี่ยมันขาดไปเลยสัมมาสัมบุทโธ พระว่าบทตังพะกวนตังอภิวาเดมิ <rett> ว่ามขาดปึดปืดปึดปเลยย้ายมันย้ายเสียงมันออกออกมาเป็นคําหนักให้มันเป็นคําเบาๆคําเบาที่เขาเรียกคนปากหนักปากหนักว่าอะอะย่นชัดเจนอู้ก็อู้ย่นชัดเจนมันก็เลยแทนที่จะเป็นเสียงสั้นเสียงยาวมันกลายเป็นยาวก็ยาวเหมือนกันหมด บุทตวารหันหรือว่าบางคนก็ไม่จําบางคนก็โดนสือแล้วก็ตาดูไม่ทันอ <c oughs> ย่างนี้ก็เป็นนะบะนุตวารหันทวรตาดิหุนาพิยุตโตมันต้องเป็นทํามนองด้วยเหมือนอย่างบทที่เราสวดยานีเมื่อวานเนี่ยยานีทะพูตานิสมากาตานีภุมมานีวายานีวานดลิเค มันมีสัมผัสนอกสัมผัสในของมันถ้าเราเห็นเป็นเป็นแถวสั้นๆแถวสั้นๆแถวสั้นๆมันเป็นคาถาท่านะคาถาปัจจยาวัตรมันเป็นคาถามันเป็นร้อยกรองบางทีก็อินทรวิเชียนเนี่ยวุังวรันตังศิรสานามามิเนี่ยมันเป็นาจังหวะจะโคนของมันไอ้คำ ก, กลางๆนี่เขาให้ว่าเร็วๆ ตอนขึ้นนี่ตอนขึ้ น, นอาจจะช้าหน่อย ก, กลางๆให้เร็วคือให้มีขึ้นแล้วก็มีลงมีขึ้นแล้วก็มีลงแต่อยู่ในนี้มันมีลูกน้ำนี่มันมีลูกน้ําเราจะมาลงตามลูกน้ำนี่แหละแต่คําขึ้นกับคําลงไม่ใช่ขึ้นก็เสมอกลางก็เสมอลงก็เสมอมันไม่เป็นจังหวะแนะนําเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงนะมันจะได้สวดไพเราะ แล้วก็จำด้วยจำจิตจิตใจไือว่าคนเดียวไปสวนที่ไหนถูกกันหมดถ้าเราเข้าใจตามระเบียบนี้แต่เรายังไม่ได้ฝึกมาคดถ้าเราฝึกมาคดด้วยก็จะทำให้เราเข้าใจชำานาญมากกว่านี้อีกเมื่อกี้กราบแล้วใช่ไหมกราบยังนะเอากราบ ข้าพเจ้าเตะปละวัต well, ิท่านเตะปละวัติท่านพรวันตุเตขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านพระวันตุเมขอความสวัสดีพวันตุเมขอความสวัสดีจงมีแก่เราซาบาลีสวดให้ตัวเองสวดให้คนอื่นเปี่ยนเตเป็นเม โวเป็นโนเปี่ยนเตเป็นเวเป็นเม <c oughs> ตรงนี้เราไม่ได้สวดแล้วตรงนี้วันนี้เป็นวันสวดตรงนี้เรามาได้อยู่สวดแล้วตอนเที่ยงตอนบ่ายหลับไปสวดที่บ้านของใครของเราพิจารสวดไว้เดอร์สวดเพลาะ ใจมั น, อ, นมอ่อนนิ่มอาวหายใจซักหน่อย เราปิดบ่ายมงทันหมพนี้เราปิดบ่ายมงเราไปทันเครื่องหมฮะสองมองออกสามมองสี่มงสาม่โมงไปสวภูม 5้าโมงเลยองกห้าโม ง, โมงสี่โมงหโมงเออไม่ต้องไปคอยนานเว้ยไม่ต้องไปคอยนานไปพอดีพดียังไงยังไงตัวอยู่กับเราเนี่ยเจ อ, อเป็นชิปวารายจะได้ครับผมวัน น, น, ว น, นั้นมาจากอุดดอนไปฉันในบ้าน อยู่ใกล้สนามบินอุดรเนี่ยแต่เครื่องออกแปดโมงเราเข้าไปถึงยังเหลืออีกสิบนาทีจะถึงแปดโมงปรากฏว่าเราก้าวขึ้นไปเท่านั้นแหละเครื่องร้อมุนเลย <laughs> คือคนมันไม่เยอะนี่นี่ยังคราวที่เที่ยวมาเนี่ยคนห้าสิบกว่าคนเองโอ้โหมันจะคุ้มหรือแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวไม่คุ้มเลย น่าสงสาราจริงๆนะแต่มันขาดทุนน้อยหน่อยว่างั้นแทนที่จะขาดคุณเต็มร้อยมันขาดทุนห้าสิบเปอร์เซ็นน่าสงสารเลยธุรกิจถ้าหากินนับครบเลยวนะันนั้นเรานั่งครับเ ร, เรานั่งนับอ้าวห้าสิบกว่าคนเองเนี่ยไม่ถึงร้อยนคนไม่ถึงร้อยคือนุ่งเอมามัน การบินไทยบินไม่บินยังไม่ได้ใช่ไหมหรือหรือเปิดบริการแล้วจะสมัยตัางหากใช่ไหมสมัยตัางหาก อ, ม อ, อสมัยเขาเก่งเขาอยู่ได้สมัยเขาเก่งฮะยังไงยังไให้มาขาดทุนน้อยหน่อยทำไปเพราะคนงาน ยังไงยังงหลังโควิดเนี่ยแหละเขาจะเอาให้มันหนักกเลยนะคนจะหลั่งไหลเข้ามาเมืองไทยเมืองปลอดเชื้ อ, อเมืองปลอดเชื้อสูงดังแลวตอนนี้หวังอยู่ว่าเมืองไทยจ ะ, ะดังมากเลยแหละเป็นเมืองที่มาพักผ่ได้ปลอดภัยไทยโควิดตายไปทั่วโลกเกือบล้านคนแล้ว โรคระบาดไม่ <c oughs> <c oughs> มีน้ำดื่มไม่คอแห้งเนาะเราเนี่ยทำไมคอแหง้งหนักกระมู่แฮ หมดไปแล้วจงเคอแห้งมากกระมูกแตเรานี่ยะ โ, โอ้ใส่ดีเสียงมันออกไม่งั้นแย่เลยเนี่ย สวนมนต์เสร็จ <c oughs> รประมาณราษวรประมาณสี่สิบนาทีเราพาสวดรัตนสูตรเมื่อวานต่อจากรมบัดสวดมนต์แผ่เมตตาวันนี้หลังจากรมบัดสวดมนต์แผ่เมตตาอิมินาเสร็จ เราสวดอาทิตปริยายาสูตรสูตร ว, ว่าโดยไฟคือความร้อนเราสวดบทวิปัสนาภูมิภูมิของวิปัสนาทั้งมนาคืออารมณ์ของวิปัสนาวิปัสนาภูมินั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสนาทั้งหมดล้วนแต่พิจารณาแล้วทาให้เกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ในกายในใจของเราการทํางานของระบบวิถีจิตของเราไปอ่านดูไปศึกษาดูให้ดี แล้วก็สวดบทปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทมีทั้งสายเกิดสมุปยโยหติสมุโยโหติสายเกิดคือตัณหาเกิดมีทั้งนิโรโทหติคือตัณหาดับสายเกิดของตัณหาสายดับของตัณหา สิสสายเกิดส2สายดับ12สายเกิดคือตัณหาเกิดเป็นสมุทัยาวาระตัณหาเกิดเป็นนิโรธวาระตัณหาดับไปดูให้เข้าใจไปดูความหมายให้เข้าใจสิ่งเหล่า น, นี้เป็นกรุยหมายป้ายทางที่เราต้องเรียนต้องรู้ต้องเข้าใจต้องศึกษาเรามีหลักคำสอนเป็นหลักอยู่แล้ว เราก็ศึกษาเปลี่ยนเวลาเวลาจากน้นมาศึกษาเดินจงกรมนั่งภาวนาเปลี่ยนมาศึกษาแทนที่เราจะเอาเวลานอกนั้นไปออกนอกทำให้เราเสียหายเรามาศึกษาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บุญ ศึกษาพุทธวจะนะคือคำสอนคำพูดของผู้ริจ้าในได้บุญเพราะท่านสอนเพื่อหัวใจของพวกเราแท้ๆเราก็สวดถึงห้าสิบนาทีนะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวานเราสวดสี่สิบนาทีแต่เราสวด ต, ต่อท้ายด้วยรัตนะสูตรสูตรว่าด้วยแก้วคือรัตนะ นีพุท่เจ้าสอนให้พระนรนทเรียนแล้วก็ไปสวดพรมน้ำมนต์ไล่โควิดที่เมืองเวสาลีในยุคนั้นสมัยนั้นโรคระบาดคนตายเกลื่อนเลยแหละโอ้ยเนา่าเหม็นเต็มไปหมดเลยนี่รัตนสูตรที่เราสวดเมื่อวานทราทำเต่าเราพาสวดทุกวันทุกวันทุกวันไล่โควิดให้มันออกไปจากเมืองไทยมันยังไม่หมดเลยสวดทุกวันพาไล่สวดออกไล่มันออกไปจนหมด่ะอ <laughs> <า> <c oughs> สมัยนั้นข้าวยากหมากแพงด้วยเมืองไพรสาลีข้าวยากหมากแพงเมืองไพรสาลีที่เราไปส่มากเราเข้าไปที่กุฎาคาราป่ามหาวันเมืองไพรสาลีไปทุกครั้งเราก็ไปไปที่เมืองไพรสาลีเยสาลี เป็นเมืองไัยสาลีข้าวยามมาแพงโรคระบาดคนตายเปลื่นรุติยาวเมตตาไปโปรดก่อนที่ประงเดินทางไปถึงบรรดานฝนตกหนักทำให้น้ำฝนไหลชะล้างสิ่งสกปรกปฏิกูลโสโครกด้วยโรคระบาดทั้งหลายทั้งปวงทั้งซากศพใหม่ซากศพเกา่า ไล่ลงที่ต่าหมดเหลือพื้นที่สะอาดสะอาพรพยายชนเมื่อโรคระบาดมันลงอ่ะมนุษย์มันก็ลงมาหากินด้วยอ่ะมนุษย์ที่มันชอบลงมากินก็พวกสัมภเวสีนั่นแหละเพราะพวกสัมภเวสีเนี่ยพวกอดอยากพวกนี้พวกไม่ทำบุญให้ทานตายไปแล้วไม่มีอาหารกินอาหารที่อาารอาารถอาา ร, อาาริสุดของเขาก็คือซากศพตัวไหนมีซากศพ สุรกายพวกอมนุษย์เนี่ยรุมกันทึ่งพวกสัมภเวสีมารุมกันทึ่งอยู่นั่นแหละโอ้ยแซ่บอร่อยซากศพแต่ประชาพีดิบเออรอะไรอะไรเออนี่นี่แหละพวกอมนุษย์มีซากศพที่ไหนพวกอมนุษย์ลงกินดีไม่ดีมันทํำลายมนุษย์เราอีกทีหนึ่งเสริมให้เราตายได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นจะได้เป็นอาหารของมันพระลิอจอมันดาน่างให้ฝนตก ไหลเอาซากศพนะไปกองกันเป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นการชะล้างบ้านเมืองให้สะอาดพระองค์ก็สอนให้พระอนุรณ์เรียนรัตนสูรนี่แหละไปเดินพรมมดทั่วเมืองภัยชาลีตลอดทั้งคืนนั่นแะอาตุลทั้งหลายเราวิ่งกันชุลมุนวุ่นวายเรถูกน้ําพระพุทธมนต์ไม่ได้ด้โอ๊ยเนื้อตัวนี่เหมือนจะขาดเป็นริ้วเป็นรอยร้อนวุ่นวบนี้ก็เจตอตระเิดเปิดเปิงไปเลย พระอ น, นุนเรียนจากพระุทธเจา้าแหละทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์นนด้วยบทนี้แหละไปศาสตร์หมดเมืองไปส า, สาลีแน่เพรเาฉะนัพิธีพรมน้ำน้ําพระพุทธมนต์ที่พกเราเอามาใช้เอามาจากสู่รนี่แหละอําบทพรมน้ําพระพุทธมนต์น้าพระพุทธมนต์ยิ่งสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ด้วยแล้วเนี่ยพุท ธ, ธานุภาพมีผลมีอานิสง ม, มีอานุภาพ พวกสมพระเวศีก็กลัวรจริงๆนะก็กลัวก็กลัวได้ใช้ศีลเขากลัวน้ำมนต์เพนผ่านการสวดด้วยพุทธมนต์ด้วยคําสวดเนี่ยเพราะฉะนั้นปริตตะแปลว่าปกป้องคุ้มครองเรายังมีการสวดปริตฏเจ็ดตำนานเนะี่ยสวยดปกป้องคุ้มครองสวดปริฏคุ้มครองป้องกันใช้บทสวดมนต์นี่แหละหมายพระพุทธเจา้ามาจนเดี๋ยวนี้พวกเราก็ยังสวดอยู่นะ สวดเป็นขลังไปเลยจนกลายเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีมีการสวดเราก็เอาบทเจ็ดตำนานสวดปริตรมงคลอะอย่มาสวดทั้งกเราได้ทั้งอกทั้งใจฟังและเกิดบุญเกิดกุศลในหัวใจของเราแต่วันนี้เราสวดพาสวดอาทิตต์ตรักยปริยยาโซดสูตรที่ว่าด้วยความร้อนคือไฟเหมือนอย่างม่ชาก็เล่าฟังไฟข้างนอก ที่เป็นฟืนเป็นไฟมันก็ไหม้ได้เฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาไม่ให่สาเหตุที่เกิดของความร้อนตาไปกระทบรูปเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาสุข้ังวาดุขัางวาอะตุรมสุข้ังวา สุข้างวาดุขข้างวาดุขมะสุขข้างวา อ, อาดิตังร้อนเพราะอะไรอาิตัร้อนเพราะอะไรา ร, ราค ะ, ะ, ะขีนาโทสักขีนามุหะขีนร้อนเพราะไฟคือราคะโทสัโมหะท่านสวดธรรมะหมวดอายตนะภายนอกหก อยายตนะภายในคือตาขหูจมูลนกายใจหกอยายตนะภายนอกคือรูปเสียงกโลิ่นรสผลิัณฑธรรมารมหกพันไปที่วิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกธรรมห้าหมวดนะที่มันเป็นหน้าที่ตกผลไมาจนถึงสุขข้างว่ารุ ข, ข้างว่ารุขมสุขข้างว่าคือเวทนาอาดิตังร้อนเพราะอะไร ความยินดีกับความกินร้ายนะความสุขกับความทุกข์ร้อนร้อนได้อย่างไงร้รอนเพราะอะไรร้อนเพราะราคะเคนาโดยสักเคนามนะเคนาร้อนเพราะความโลภความโกรธความหลงอดีตังชาติยาชารามระเนียความร้อนเหล่านี้ทําให้เกิดชาคือความเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องชารา มรณะโสกภริเทวะทุกขะโทมนั่เสวยญายะแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็วิโยแล้วกพัดพรานี่คือกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นไฟเป็นฟืนเป็นไฟตามมาผู้ช่้าท่านสวนหมวดตาไปกระทบรูปเกิดวิญญาณเกิดภัสตาเกิดเวทนาเกิดไฟจากเวทนายินดี ยินร้ายก็เป็น่ายินดีก็เป็นไฟอนุฆมาศคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็เป็นไฟหมวดที่สองหูหูได้ยินเสียงโสตสมมิปนิพนธติโสตังอดิตังสัตดาอดิตาหูก็ไยเสียงก็ไฟ โซตะวิญญาความรู้แจ้งทางหูก็ไฟเกิดวิญญาณก็ไฟเกิดผัสสะก็ไฟผัสสะคือความกระทบไอ้วิญญาณกับความกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่อันหนึ่งก็คือกระทบคือคือผัสสะอันหนึ่งก็คือรู้แจ้งมันทำงานในขนาดเดียวกันทั้งกระทบทั้งรู้แจ้ง ผลตามมาก็คือเวทนาหมดธรรมะห้ามหมดเวทสุขเวทนาก็ไฟทุกเวทนาก็ไฟอุตุคามสุ ข, ขเวทนาก็ไฟไฟเพราะอะไรเพราะราคะเพราะโทสะเพราะโมหะไฟเพราะชาติยาชารามราเนนะเพราะชาติคือความเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเก็บแล้วก็ต้องตาย โชกับพริเดวะลุคดมนาสาวปายาผู้ตายไปก็ทนไม่ได้จนตายผู้อยู่ตามหลังก็คร่ำครวญคร่ำครวญเศร้าโศกเพราะวิโยคพรักพรานี่คือไฟไฟเหล่านี้เผาใจไม่ได้เผากายไฟราคะเป็นไฟทำให้เราเกิด พ่อแม่ถ้าไม่มีราคาไม่มีความกำนัดก็ไม่มีการเจริญพันธุ์เราก็ไม่มีที่ที่จะไปเกิดหละนี่คือไฟราคาโทสะไฟอันนี้ทำให้เราเกิดด้วยแล้วก็เผาเราคือความทุกข์มันตามมาเผาเพราะราคาโทสะโมหะนี่แหละมันทำให้เราเกิดด้วย มันตามเผาผลานเราระบาเราไม่ชชีวิตอยู่ด้วยเผาใจทำให้ใจเราเร่าร้อนนี่คืออธิต่ปริยยสุขปริย้าทรงแสดงที่ไหนแสดงกับใครคิดออกไหมพรเจ้าทรงแสดงที่ขยาศีสับเขา่าขยาศีสับแปล ว, ว่าต้นน้ำขยาอันนี้เราไปอินเดียเราไม่เคยไปแต่คราวหลังนี่อาจารย์ คิ่ว่าท่านไปท่านบอกว่าท่านไปเที่ยว ท, ท่านไปดูที่ต้นน้ําขยาไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรท่านบอกมันมีอะไรมีโบสถ์พราหมณ์เล็กๆเรื่องอะไรเนะี่ยไม่มีเราไม่เคยไปต้นน้ําขยาที่ขยาศรีรษะทีเจ้าพาชดินเหล่านั้นบวช ท, ที่ฝั่งแม่น้ําขยาเสร็จแล้วก็พาไปที่ต้นน้ําขยาไปแสดงอาธิตฐาพระญาติสูนี่แหละแสดงจบพิสุชิดินทั้งพันสามอง ได้บรูปเป็นพระอาหารหันทั้งหมดใน ห, หลักของอาทิตตะปริยัยิสูตรแสดงถึงตาร้อนหูร้อนจมูกร้อนกลิ่นจมูกร้อนลินร้อนกายร้อนใจร้อนร้อนเพราะไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัธรรมารมเกินวิญญาณ จักรวิญญาณก็ร้อนโสตวิญญาณก็ร้อนคณวิญญาณชีววิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณร้อนไปหมดเกิดผัสสะผัสสะจักรู้สัมผัสโสตสัมผัสชหวสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสสัมผัสคือผัสสะร้อนแล้วมาเกิดเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกข้ามาสุขเวทนากร้อน เกิดขึ้นจากแท้อยายัตนธภายในไปกระทบอยายัตนธภายนอกเท่านั้นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดไฟคือราคะคือโทส ะ, ค, ทะคือโมหะพระุทเจ้าท่าทรงแสดงพวกเจ้ดินเขาก็ตั้งใจฟังใจอ่อนน้อมเขาหาหลักทำจริงๆแทบไม่หายใจเลยแหละทั้งอกทั้งใจฟังเนื้อหาทำอุยช่างแซ่บช่างอร่อยช่างโอชะแล้วเกินในจิตในใจ จากนั้นชินทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นรู้ว่าตาหูจมูมกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระธรรมรมเป็นของร้อนวิญญาณทั้งหเป็นของร้อนพันสัตย์ทั้งหเป็นของร้อนเวทนาทั้งหเป็นของร้อนจักกุสัมิงจักขุดจักขุสัมิงปีนิบินตติผล ผลจากการยึดติดในตาโสตสัมสเมิ่อปินบินผลจากการยึดติดทางหูจิตเบื่อหน่ายคลายใงไม่ยึดติดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจไม่ยึดติดที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสไม่ยึดติดในวิญญาณหกจากขุมวิญญาณโสตวิมญาณคณะส่งวิญญณ สิว่วิญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณไม่ยึดติดในผัตสักจะคุสัมผัสโสตสัมผัสขานาสัมผัสสิว่สัมผัสกายาสัมผัสมโนสัมผัสไม่ยึดติดในเวทนาจักคุสัมผัสสิชาวเวทนาโสตสัมผัสสิชาวเวทนาขานาสัมผัสสิชาวเวทนาสิว่าสัมผัสสิชาเวทนากายาสัมผัสสิชาเวทนามโนสัมผัสสิชาวเวทนาเวทนาทั้งห ไม่ติดเบื่อหน่ายคลายจางนิ บ, บินตินิ บ, บินติพ้นจากการยึดมัน่นถือมัน่นในอยนายตนะภายในอยนายตนะภายนอกในวิญญาณหกในผัทธสหกในเวทนาหกเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายจางตัดส ม, มิงปินิบินติโดยเหตุนี้จึงหุดพ้นจากพุทธส ม, มิงปีนิบินติพ้นจากตาพ้นจากหูพ้นจากจมกูกพ้นจากลิ้นพ้นจากกาย เมื่อเบือหน่ายก็คลายเมื่อคลายก็จา่าเมื่อจ่าก็หลุดเมื่อหลุดก็พ้นเมื่อหลุดแล้วพ้นแล้วความรู้สึกว่าหลุดแล้วพ้นแล้วก็เกิดขึ้นก็มีขึ้นเนี่ยพระพุทธจ้าท่านทรงแสดงอาทิตตปริยายาูตร ตังอันธาดิตาเนี่ยสิว่ า, าดิตาราซ า, าดิตาเนี่ยกายโยอดิโตโคตบาอาดิตาเนี่ยมาถึงมะโนอดิโตธรร ม, ม า, าดิตาเนี่ยใจเป็นของร้อนธรร ม, มารก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นของร้อนเวทนาทั้ง6ก็เป็นของร้อน อีวังประสรางปิฆเวสุตตวาทียสาวะโผลพระสงฆ์สาวะทั้งหลายทัานปวงเหล่านั้นได้ยินได้ฟังจากุชมิงปิณิบินติหลุดพ้นจากตาจากหูจากขมุกจากลิ้นจากกายจากใจจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากวิญญาณหกจากปัจจสมหกจากเวทนาหกนิบินดังพระจิติ เมื่อหลุดพ้นแล้วเป็นวิราคารวิมุตติหลุดพ้นจากความกำหนัดความชอบใจความพอใจความหลุดพ้นเกิดขึ้นมีขึ้นมีญาณรู้ว่าหลุดแล้วพ้นแล้วขีนาชาติผู้ศรัทธาธรมจารย์พระขีณาศพทั้งหลายไม่เกิดจบพรหมจรรย์ ไม่มีกรณีกิจทีจ่จะพึงปฏิบัติอีกต่อไปดิเรกมาโภเจภควาตามนาเตปิคุภควาโตภาสิตังอภินันดุงมื่อฟังจบแล้วมิมัตสมิจจปะนวิยากรามิเจวยากราณภาสิตนี้พิสุทั้ง 1,000 งพันิคุสหัสสะ 1,000 ึันอนุปาดายะ พ้นจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุ ป, ปาทานอาสวะให้จิตตานิมิตหมดจริงสูต้ติจิตก็หลุดพ้นด้วยประการทั้งปวงเนี่ยธรรมะละเอีย ด, ดึกเราพยายามทำความรู้จักให้ทั่วถึงให้เท่าทันละเอียดนะสอนไม่ได้สอนที่อื่นสอนที่กายของเราที่วาจาที่ใจของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยเมื่อกี้นะที่เราสวด เราถือได้ยังไงเราถือได้ว่าโอ้อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นของร้อนราคะโทสะโมหะร้อนเพราะไฟคือราคะคินาโทสะคินาโมหะไฟคือราคะไฟคือโทส ะ, ไ ฟ, ทะไฟคือโมหะไฟฟืนเราธรรมดาธรรมดานี่ไม่ได้เฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุแต่ไฟคือกิเลสหัวยใจของเราตัณหาหัวยใจของเราไฟได้แม้กระทั่งใจของเรา ร้อนร้อนเพราะราคาโตสั์โมหัถ้าพุทธยาไม่บอกเราไม่รู้จักว่าความโลภร้อนความโกรธร้อนราคาตันหาร้อนอันไหนมันเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะไม่ร้อนของดีของดีแสบอร่อยสนองทันทีเราไม่รู้จักว่ามันเป็นของร้อนเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เซ่เราก็สะสมมาอยู่านี้เป็นไอจินกรรมอะไรมันหนานาหนาทึบ จนพระศาสนาแทบพิจารณาถึงว่าจิตวใจของพรเราห์อ่อนอ่อนใจโอ้ไม่รู้จะไปสอนอยังไงนาะจะเข้าใจจะรู้เรื่องเนาะว่ามันเอียดมากเพราะฉะนั้นบัวสีเหลาที่โผล่ขึ้นมาโอ้คนพร้อมที่จะที่จะสรุตรสรู้ตามก็มีเปมืยนสมมติบบัวพลน้ําคนที่จะรู้ตามตำตามมาก็มีเหมือนดอกบัวปริ่มน้ํา คนที่จะตามโผล่ดอกบัวพิมพน้ําขึ้นมาก็ได้ในยะดอกบวกลางกลางน้ําแต่ประเภทประมะปทะป ร, ะประมะเนี่ยเป็นลูกผีลูกคนถ้าพยายามถีบตัวเองให้พ้นจากที่ตม้มที่ต้องี้โคลนมาก็พ้นจากอาหารของเต่าของปลาขึ้นมาได้เป็นปรมาเกิดขึ้นต่อจากนั้นมาพร้อมมาจะโลกาโผล่ขึ้นมาแล้ว แท้ทีจริงพระองค์บัตรมาเพื่อสอนคนเพื่อสอน เ, อเวรนัยยะักด์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเหตุที่สร้างสมบุญญาธิการบุญญาพรหมีเพียบพร้อมมาแล้วฉะนั้นเลยพระองค์จะมาวางภาระอันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทําภาระอหนักมากไปดูที่พุทธกิจทพุทธกิ จ, 5, จกท่ทาที่พุทธเจ้าททรงทําภารกิจของพระงองค์อุป พ, พันเหตุปินละปาตันจัก ตอนเช้าบิณฑบาตโปรดสัตสา ย, ยัานเห่ธรรมเทสนังสายยันเย็นเทศสอนอุบาสกุบาจิกาประโดเซ e พิฆุโววานดังพลบข่ำสอนภิกษุบริษัทเวลาตอนข่ำสอนออนอุบาสกอุบาจิกาบริษัทเวลาพรบค่าสอนภิกษุบริษัท กลางคืนอัทรัตเตทวปัญหากังตอบปัญหาเทวดาสอนเทวดาเทวดามาหมื่นโลกโลกกระฐานมาไม่มีขาดมาถามปัญหามาฟังเทศมาอะไรโอ้บรรลุที่เราเป็นโกรธเป็นโกรธเป็นโกรธ เ, เทวดาเขาไม่ได้จุพื้นที่พื้นที่แค่นิดหน่อยเทยวดาจุเป็นกดโกรธพื้นที่ไม่มีติบตันอันตู้เกี่ยวกับเรื่องที่ที่จะไปฟังเทศไม่มี อัรตราเตเทวปัญหากัาพบพภะพภพ บ, บา บ, บพัะเบวิโลกกนะันนังเวลาไคสว่างเล่งดูสัตวโลกดูสิพุทธิยามีเวลานอนไหมไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะฉะนั้นพระวรากายของพระองค์แปสิบพระพันศาเนี่ยโอ้ยโอ้ยเราเนี่เหมือนเกวียนเก่าแก่จำรูปสุดส ม, มากแล้วแหละถ้าเป็นเกวียนก็เอาใจ ไม้ไผ่มาทาบแล้วก็พันดามปุ๊ ป, ปะปะไปพอให้ถึงที่เพางั้นแต่พอใถึงที่พระวรากายของพระองค์มาทํางานหนักมากสีพ้าพระพันษาท้องเที่ยวจ่าริกไปบอกไปสอนอ่าภาษาบวกสังหลายทั้งปวงที่นู่นที่นี่ไปยากไปลําบากไปง่ายแต่พุทธฤทธิ์ที่พระองค์น่ะบางครั้งพระองค์ก็ใช้บางครั้งพระองค์พอง์ก็ไม่ใช้ไม่ใช่ว่าจะบงใช้พุทธฤทธ พุทธิริททุกทุกครั้งทุกขณะไม่ใช่ท่านใช้เป็นการเป็นข่าวไม่พร่ำเพรื่อมางครั้งต้องเดินไปแต่ว่าริทถึงแม้จะเดินไปก็เป็นริท <c oughs> ก็ดูเดินเฉยๆธรรมดานะี่ยองค์กลีมาอย่างไรไม่ทันเห็นไหมก็เดินเฉยๆธรรมดาเ น, นี่แหละ <c oughs> ดูที่แก้วสารพัดนึกไปหมดพนะระองค์นี่พระพุทธเจ้าพระมหากาลมีโกนาโธหตายสัพ ป, ปานิหัง มีพระมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเกิดมาเพื่อบอกและสอนแ ท, ะ ท, ะทะ้ๆนี่คือกันที่เทไร่การอดิตะปริยายาสูตรการแรกทำม้จากป ร, ร, รัช น, น, นาสูตรการที่สองอนัตตะลัคณาสูตรกันที่สามพระองค์ไปสแสดงที่รุเวลาเสนานิคม กันที่หนึ่งกับกันที่2ทรงแสดงที่ป่าอิสิปัตนามรุกทายวันแก่พวกปัญจวขีกันที่สมแสดงแก่พวกเชดินพิสุเชดินหนึ่งพันกับสมตนที่ต้นน้ําขยาอาธิตักปริยาญาสูตรน่าจะเป็นกันที่สามแต่สำหรับกันที่สที่แสดงแก่พวกพระมีกันที่สามพมีที่โปรงแสดงแก่ยัตสาก็มี แสดงเรื่องอแสดงเรื่องอนุปพิกถาแล้วก็ขมวดลองด้วยอริยสัจทั้งสี่ธรรมยัสสะได้มโนตาเห็นธรรมฟังอนุปพิกถาสองรอบรอบแรกตัวเองได้ดโมตาเห็นธรรมรอบที่สองพระพุทธเจ้าแสดงแก่พ่อตัวเองก็นั่งอยู่ในนั้นแหละฟังอนุปปปิกาขาขมวด ดยอริยสัจทั้งสีรอบที่สองได้มารู้เป็นพระอาหารหันต์พ่อได้ดวงตาเห็นธรรมแน่จากนั้นนะครับเพื่อนเห็นยัศออกวก็มาบวชตามอีกที่ออกชื่อที่ออกชื่อห้ายัสาว่าปะาพัทธิยะเออไม่ใช่ว่าป่าภาคุปุณนชิความความปติอะไร เนี่ยเป็นเพื่อนของเยนสะที่ออกชื่อและที่ไม่ออกชื่ออีกห้าสิบคนมาบวช ด, ด, ดำ้มรูปเป็นพระานทั้งหมดก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปสอนพวกเชดินสามพี่น้องที่เขตตำบลอุลุเวลาเสนานิคมเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่การที่สามหรอกถ้าเราจะนับว่าอนุภูมิปิาเป็นการที่สาม ในที่ประยายะสูตรนี้เขจะเป็นการที่สี่ขงมันแต่แต่ว่าไปโปรดชั่ดินอรุณลาอรุณเว ล, รเวลกระสป่านี่ตั้งนานเนินานส อ, อนแล้วส อ, อนอีกส อ, อนแล้วส อ, อนอีกเทศแล้วเทศลีด้วยด้ว ย, ยวิธีที่พร้อมด้วยทิฏเดตะปัญญาเท่านั้นแต่ชั่ดินทิฏฐิมันหนักจัดมากกวา่าใจใจะยอมทําให้พระองค์ได้แสดงธรรมเพื่อโปรดใ น, นหัวดหัวใจของเขาเขาลิกสิ้นระยะเวลาเนิ่นนา น, าน ว่าเขาจะคลายทิฏฐิมานะแสดงว่าต้องเสียเวลานะานพอสมควรนี่ไมาว่าออกภาษาแล้วนะตอนนั้นออกภาษาแล้วกลับคืนไปที่นุ่นที่ตะมอุรุเวลาเสียนิคมซึ่งเป็นดินแดนที่พระองค์ทำความภาคความเพียรและบรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิยานที่พุทธคญาณนะนี่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ เราพูดถึงอาทิตตปริยยาสูตรสูตรว่าด้วยความร้อนทำไมจึงสอนว่าสูตด้วยความร้อนเพราะพวกขีดบูชาไฟไฟเหล่านั้นมันเป็นไฟฟื น, มนไม่เฉพาะกันนอกแต่ไฟราคะโทสะโมหาราดูที่ปุรเจาฉลักไหมขโมยเอาไปใส่เน่ยสแลจิตนี้มันก็ฟังมันก็สมัตเบื่อหน่ายคลายจางเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่นอกจิตทั้งหมดราคะโทสะโมหาาโะ มันเป็นกิริยาการของจิตทั้งหมดมันก็เกิดจากกิตนั่นแหละมันเป็นกิริยาอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่สามารถใช้สติใช้ปัญญาที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือพิจารณาชัได้ล้างได้ชำระให้ความโลรความโกรธราคะตัณหาเหล่านี้ให้หมดไปจากจิตใจได้เนี่ยพรพยยเจ้าตํานาน เหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เราได้ยินได้ฟังเราได้ศึกษาแล้วทำให้เราได้กลยุทหมายปลายทางทำให้าได้ความเลื่อมใสศรัทธาบางคนมีความเลื่อมใสศรัทธาเสื่อมเลื่อมใสศรัทธาอย่างเดียวตั้งอกตั้งใจให้ทานรักษาศีลระพฤติษรำปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดใกล้ต่อความเป็นพระโสดาบันนะประเภทศรัทธาที่กะประเภทศรัทธาศรัทธาจริตเนี่ย เป็นเหตุให้ได้ประโสดาบันง่ายๆเลยตั้งอยู่ในความนับถือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มร้อยไม่คลอนแคลนเพราะเห็นคุณเห็นบุญเห็นคุณเหมือนหลักศิลาแท่งทึบปะหนึบลงดิน8ปสองเอาอะไรมาโยกมาคลอนได้นี่พะยะบุคคลชั้นพระโสดาบันใครไปโกหกไปต้มตุนไปหลอกลวงาลองปฏิเสธที่ว่าคุณพรุทธเจ้าไม่มีคุณพุทธเจา้าคณพระธรรมคุณพระสงฆ์ไม่ดีลองปฏิเสธดิ ใช้รางวัลเท่านั้นจะให้รางวัลท่านี้ไม่กล้าปฏิเสธตายดีกว่าถ้าไม่ปฏิเสธเราฆ่านะยอมตายนะยอมตายดีกว่าไปปฏิเสธว่าบุญคุณของผู้พรัทธาประทมประสงค์ไม่ดีจริงยอมตายยอมตายดีกว่าไปปฏิเสธเพราะเหตุผลสัจธรรมแจ้งประจักรในหัวใจของตัวเองไม่มีใครมารู้มาเห็นด้วย กูศรัทาเลื่อมใสที่จะเรียกว่าอจริญัทธาจริัทธาไม่โยกไม่คลอนเหมือนเถาเสาศิลาแท่งทึบฟังจมลงดิน8ปดสิบสองจะเรามาโยกมาคลอนน่งเมื่อกีแล้วเราก็มาสวดอีกพระสูตรหนึ่งอันนี้เป็นปาฏิวิปัสนาภูมิปาฏิเป็นวิปัสนาภูมิวิปัสนาภูมิทั้งหมดนี้ถ้าเราจะไม่แยกก็มีขันห้า รู ป, ปิธ น, นาสัญญาสัขงขารวิญญาเคือขันห้าขันห้านี่เป็นวิปัสนาภูมินะเป็นอารมณ์ของวิปัสนาญาตนะสิบสองธาตุสิอินทรีย 12, 18, ์ยี 22, อริยสัจสี่ทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาที่เราสวนมาตที่ เรายเราอาบทไหนก็ตามไปพิจารณาเป็นเหตุทาให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายจาจรู้ทั่วถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นขัน5เป็นปรัชนาภูมิระพิจารณาขันห้พิจารณารูปใครถนัดเกี่ยวกับเวทนาใครเกี่ยวกับถนัดกับสัญญากับสังขารกับวิญญาณพิจารณาได้แต่เบื้องเบื้องแรกเบื้องต้น พิจารณาสิ่งที่อยากเพียงอย่างรูปพิจารณาพิจารณารูป <c oughs> ทําไมจึงต้องพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาเราติดในรูปสําคัญมันหมายว่ารูปเ ร, รากายเรากะของของเราอัตตาตัวตนของเราอัตตามันโผล่ขึ้นมาเพราะกิเลสตัณหามันพาเรายุดเราเราเกาะไม่เคยย้อนมาดูตัว ต, วตนของมันะ เห็นว่าสำคัญมหมายว่าเป็นตัวเป็นตนยิมยิ้มย่องพองตัวอยู่นั่นที่สรีระถือตัวถือตัวนี่แหละนี่แพิจารณารูปเวทนามันก็เป็นนามาขันสัญญาสังขารนวะิญญาณเป็นนามาขันทั้งหมดแต่ว่ามันเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายคลายจางไปขันทั้งห้าตวานาซ่ายตนานีอายตนาณิสิบสองัธาราษฎทุยโยลธาตุสิป ที่จริงอยายตนะ12กับธาตุสิบแปมันก็อันเดียวกันแหละตาหูจมูกลิ้นเหมือนกันอตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเฉียงที่รถโพธพธรรมรมเป็นอยนายตนะ12องอายตนะภายใน6อยนายตนะภายนอกหทีนี้อยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกเนี่ยทั้งมาแยกเป็นธาตุอีจกจัคคูธาตุรูปธาตุตาก็เป็นธาตุรูปก็เป็นธาตุเรามาพิจารณาดูว่าธาตุคือสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเป็นของเดิมเป็นของมีมีอยู่ดั้งเดิม ที่จะเรียกว่าธาตุคือความมีความเป็นของมันธาตุคือสิ่งที่เป็นมูลเดิมภาวะของมันตาก็เป็นธาตุรูปก็เป็นธาตุหูก็เป็นธาตุเสียงก็เป็นธาตุจมูกก็เป็นธาตุกลิ่นก็เป็นธาตุลิ้นก็เป็นธาตุรสก็เป็นธาตุกายก็เป็นธาตุสัมผัสก็เป็นธาตุใจก็เป็นธาตุธรรมารมก็เป็นธาตุเนี่ยอาดแน่น กอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนั่นแหละบวกวิญญาณเข้าไปจักขุธาตุรูปปัตุจักขวิญญาณธาตุอันนี้ก็เป็นวิญญาณธาตุก็ของมันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริง น, นี่พิจารณาบทได้บทหนึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสนาคําว่าวิปัสนาพิจารณาแล้วจะเห็นแจ้งเห็นแจ้งเ่านเรียก ว, ว่าวิปัสนาวิปัสนา วิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งความเห็นแจ้งแปลว่าวิปัสนานี่คือเหตุคือปัจจัยที่จะทําให้เราพิจารณารูปธรรมของเรานาำธรรมของเราให้เกิดความรู้เห็นแจ่มแจ้งแัเจียกขึ้นมาในหัวใจของเราทนีนี้ก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละท่านเรียกว่าอินทรียอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่จากคุณรีโสจินทรีย์จากคุณตรียังโสจินจทรียั ง, ยงคานินทรียังชีวินทรียังกายินทรียังมักนินทรียัง เวลาดักสวดเราจะต้องมีจังหวะจะโคนนะไม่ใช่กายินทริยังทียวหินธริยังมะนินทนิยังเราก็พยายามสวดจากคนธริยังโซตินธนิยังคานินธรียังชีพินธนิยังกายินทนิยังมะนินทนิยังมีการเริ่มต้นท่ากลางแล้วก็มีกานลงมันฟังไพเราะดีตาก็เป็นใหญ่หูก็เป็นใหญ่ ตาเป็นใหญ่ในการเห็นโรคหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงนี่คือของจริงของเป็นที่เป็นศักธรรมที่อยู่ในตัวเราถ้าเราไม่ศึกษ า, างี้เราไม่รู้จักคืออะไรมือ ต, ตาหูจมูกรีนเฉยๆไม่รู้คืออะไรเป็นอะไรมันทําหน้าที่อะไรเราไม่รู้เรื่องการศึกการที่เราศึกษาเอาไว้มันเป็นเรื่องดีมันได้บุญรู้อย่างตัวเราคืออะไรเป็นอะไรปริญญาจาแนกแกะให้พร้อมหมดทําให้เราศึกษาได้รับความสะดวกสบาย ขาหนินทริยังเชียวเห็นทิริยังกายยินทิริยังมาันิสิริยังใจก็เป็นใหญ่อิทธินสริยังปุริสินสิรียังชีวตินสิริยังอิทถิภาวะความเป็นผู้หญิงความเป็นใหญ่ในภาวะความเป็นผู้หญิงปุริสินสิริยังภาวะในความเป็นผู้ชายชีวตินสิริยังภาวะในความมีชีวิตชีวิตมันก็มีความยิ่งใหญ่ของมันลองขาดชีวิตจินสีลองดูอาอะไรมาเหลือไม่มีอะไรเหลือแหละ เน่าเปยหมดเลยความสุขความทุกขโสมนัสโทมนัสสุขขินทริยังสุขทางกายทุกขินทริยังทุกทางกายโสมนัน ส, ข, นนส ข, ข, ขินทริยังสุขทางใจโทมณัสขินธริยังสุขทางใจอุเปกขินทริยังอุเบกขาความเป็นใหญ่แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยสุข ทุกโสมนัสโทมนัสอุเบกขา อ, นนอันนี้เป็นเรื่องของเวทนามันเป็นเวทนากายเวทนากายสองเวทนาใจสองสเวทุขของเวทนาทางใจคือโสมนัสวเวทนาทุกขเวทนาทางใจโทมนัสสวเวทนาท่านมีชื่อเรียกเพื่อไม่ให้เราเพื่อไม่ให้เราสรับสนถ้าสุกกายคือสุขคินทะยัง เป็นใหญ่ในความสุขทางกายทุกขินทุกอยังเป็นใหญ่ในในกายมีความทุกข์ทางกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้เจ็บไข้ได้ป่วยโรกตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนี่เนี่ยมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความไม่ชอบใจความไม่พอใจความอยู่ยากเบียดเบียนเราทุกระยะทุกเวลาความทุกต้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยอ ทีนี้ก็ศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่วสัตทินทรียงคือศรัท ธ, ธาเป็นใหญ่วิริินทรียงความเพียรก็เป็นใหญ่สตินทรียงสติเป็นใหญ่สมาธินทรียงปัญญนทรียงปัญญาก็เป็นใหญ่เวลาเราเจริญไปแล้วนะมันจะมีคุณสมบัติของมันเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่เวลามันเกิดแล้วที่เรียก ว, ว่ามีพลังมีอินทรีย์ อินสีห้าพระห้าที่เราจะมาสร้างเสริมให้เรามีพลังให้มีกำลังให้มากขึ้นอันนันหยัดตันหยัดสามิตรินทริยังอนันหยัดตาหยัดหัดตันยสามิตินธริยังอันยินธริยังอัญญาตาวินธรียังนี่อินรีของผู้มีความภาคเพียรเพื่อมรักเพื่อผลเนี่ยเอันนั้นหยัดตันหยัสามิตินธริยัอันยินทริยัง คามเป็นผู้รู้ใหญ่ในความรู้อัญญาตาวินทเรียงผู้เข้าถึงธรรมจัตตาริยสัจจานิอริยสัจทั้ง4ี่ก็เป็นวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาจัตตาริยอริยสัจจานี้คืออริยสัจทั้ง4ทุกขันอริยสัจจังทุกขอริยสัจจังคืออะไรคือกายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ทุกขันอริยสัจจัง มีอริยสัจจังมาต่อท้ายด้วยลุคะสมุทัยโยอริยสัจจังทุกขสมุทัยคือกรารตัณหาเพราะว่ตาวตัณหาวิปัตสนาก็เป็นอริยสัจลุคะนิโรธโธคือความดับทุกข์บุคคลนิโรธโธอริยสัจจังความดับทุกข์ก็เป็นปรอริยสัจลุคะนิโรทขายไม่มีปฏิปดาอริยสัจจังข้อปฏิบัติคือมรรตก็เป็นอริยสัจเพราะใครเข้าไปรู้ทุก รู้หน้ารู้ตาของสมุทยัยรู้มากเพื่อที่จะปฏิบัติเพื่อลดละเลิกจำแรกแทะขัดแย่สมุทัยออกจากหัวใจของเราจนเป็นเหตุให้ได้มีโรดหัวใจดวงนั้นก็จะเป็นหัวใจที่เลิศที่ประเสริฐท่านจึงมีชื่อต่อไทยว่าอริยะสัจจังอริยะสัจจังนี่นะที่ท่านพูดถึงปรัชนาภูมิปรัชนาภูมิมีอะไรบ้างขันห้า อายตนะสบสองทสิบปดอินสียสองอริยสัตว์ทั้งสี่สรุปลงมาที่หลักของอริยสัตว์ทั้งหมดมันละเอียนะธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียบชื่อทำตั้งชื่อเอาไว้ให้พวกเราได้เดินตามได้ทั้งหมดแต่ชื่อทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่เรียกลอยๆมีสภาวธรรมรับรองไม่ใช่บัญญัติขึ้นลอยๆแบบไม่มี อะไรต่ออะไรเราดูที่ความบันเรย์ที่กุศลที่อสอนพวกเราไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่มีบุญไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เรียงไม่ได้ศึกษาไม่ได้กินนะนี่เสแล้วก็บทปฏิจจสมุปบาท น, นะทำที่อิงอาศัยแก่กันในการเกิดขึ้นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยสร้างข้ารานอวิชชาเป็นปัจจัยปัจจ ย, ยาคือปัจจัย ให้เกิดสังขารอวิชชาคือความรู้แต่รู้ไม่จริงรู้จอมปลอมรู้ยึดรู้ติดรู้เกาะรู้หลงหลงยึดในความยินดีหลงยึดในความยินร้ายหลงยึดในความสุขหลงยึดในความทุกข์ประยันขั้นจริงใช้คำว่าอวิชชาอวิชชาวิชชาแปลว่าไม่รู้วิชชาแปลว่ารู้แจ้งอวิชชาแปลว่าไม่รู้วิชชาแปลว่ารู้ วิชาแปะว่าไม่รู้ความไม่รู้ไม่รู้ว่ามันผิดไม่รู้มันถูกไม่รู้มันเป็นเหตุเป็นไปเพื่อความทุกข์หรือมันรู้มันเป็นเป็นเหตุเป็นไปเพื่อความสุขเพราะจริงเป็นเหตุให้ราเนปรุงแต่งโดยร่ำไปที่เรียกว่าสังขารปรุงแต่งเรื่องเปเรื่องของสังขารสังขารจิตน่ะเป็นเหตุให้เกิดสังขารกายขึ้นมาได้เนี่ยวิชาจึงเป็นปัจจัยเกิดของสังขารสังขารเปลนเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ ก็หมายถึงจิตของเราด้วยนะวิญญาณในทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณนักขัอย่างเดียวนะเป็นวิญญาณวิญญาณนักขัก็คืออาการของจิตเพราะฉะนั้นสังขารคือจิตของเราเนี่ยก็มีกองสังขารอยู่ในนั้นด้วยสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณมันเป็นปัจจัยส่งกันมาเป็นท่อเป็นท่อเป็นทก็คือเหตุคือปัจจัยข้อหมันคือเหตุของมันออกมามันเป็นผลเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงสังขารนี่ก็เป็นผลมาจากวิจารเห็นไหมวิญญาณก็เป็นผลมาจากสังขาร นามรูปคือกายคือใจก็เป็นผลมาจากวิญญาณนะอัยยตนาทั้ง6อัยตนาทั้ง6คือการสัมผัสตาหูมืลินกายใจรูปสิ่งที่รูปผลตะพระธรรมะเวลามากระทบกันมันก็มาจากมาจากนามรูปไม่มีนามรูปจะเอามามาเป็นอายยตนาภายในอัยตนะภายนอกนามก็คือนามนามก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ นามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะมีกายมีใจเป็นเหตุให้เกิดอายตนะอายตนะเหล่านี้สลายอายตนะคืออายตนะหกมาสัมผัสสัมผัสกันอายสลายายตนะ อ, อาสัมไม่ยัม่หมดนะอะไรบ้อ๋อสลายายตนะสลายายตนะปัจจิยาพัดโซ การกระทบทําให้เกิดการสัมผัสการสัมผัสทําให้เกิดอเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาอ่ะทุกขมสุขเวทนาหรือถ้าเราจะเยกว่าเวทนา5ก็คือสุขเวทนาทุกเวทนาโสมนัสเวทนาโทมณัสเวทนาอุเบกขาเวทนาอโสมนัสกับโทมณัสเป็นเรื่องของสุขกายทุกสุขกายไอ้สุขใจทุกใจอ่ะสุข เขเวทนากับทุกเขเวทนาเฉยๆนี่ก็เป็นสุขกายแล้วก็ทุกกายสมนัตเวทนาโทมนัตเวทนาคือสุขใจแล้วก็ทุกใจเนี่ยเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาตัวนี้คือตัณหาใหม่ตัณหาเก่ามันส่งมาแล้วอย่างพวกเราถ้าไม่มีตัณหาเราไม่ได้มาเกิดหรอกแต่นี่คือเรากน แขนงที่มันจะโผล่ขึ้นมาอีกนี่คือตันหาตันหาตัวนี้เป็นตันหาใหม่เหตุปัจจัยคือเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยเกิดตันหาตันหานี่คือตันหาใหม่นะตันหาก่ามาส่งมาแล้วนี่ตันหาใหม่เป็นสายเป็นพันุ์เป็นชาติเป็นเชื้อที่มันจะโผล่ตันหาขึ้นมาใหม่เพื่อมันเป็นการมาเสริมพันรักษาเผ่าพันธุของตันหาในหัวใจของเราเมื่อต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงมันมี ดอกมันมีผลมันมีเมล็ดมันมีหน่อมีแขนงมีอะไรเพื่อที่จะสืบพันธุ์พงเผ่าเราก่อเข้ามันอาไว้ตันหามันก็มีเหมือนกันเนี่ยตันหาใหม่ที่จะพึงเกิดขึ้นตันหาเก่าวมาสรงมาแล้วตันหาใหม่มันก็เกิดขึ้นในลําดับ่งสุขเวทนาทุกขเวทนายินดีก็ยินดีก็คือตันหายินร้ายคือตันหาไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือตันหาสุขเวทนาคือตันหาทุกขเวทนาคือตันหาสมนักสเวทนาคือตันหา ทบนับสเวทนาคือตัณหาตัณหามันทําให้เรายึดเมื่อยึดแล้วก็คือมีพบที่จะต้องไปเกิดตามพบเ่านั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานมันยึดโดยอัตโนมัติเพรามันเราไม่รู้เราไม่รู้จักหรอกยึดโดยหลักธรรมชาติเพรมันอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบอุปาทานคือตัณหาที่เรียกวกระแสของตัณหานําเราไปสู่พบเรามาพิจารณาตามนี้แล้วเราก็ โล่งใจรู้เหตุรู้ปัจจัยว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงเรารู้เครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะมาใช้สร้อยเกิดประโยชน์ในหัใจของเราแต่เราไม่ทิ้งสมถะเพราะสมถะเป็นเหตุให้เรามาพิจารณาสิ่งเหล่านี้และทำให้เกิดเราทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญารู้เข้าใจทุ้ ป, ปุกปลงทั่วถึงรู้การทํางานของมันรู้ที่เกิดของกิเลสรู้ที่ตั้งอยู่ของกิเลสรู้ที่ดับของกิเลส นี่เพราะวะ่าเพราะว่าปัจจียาชาติพบเป็นเหตุให้เกิดถ้าไม่มีพบเราก็ไม่ได้เคยเกิดถ้าไม่มีผู้หมายมันก็ไม่มีไม่มีพบโดยเหตุที่มีผู้หมายคือยังมีอัตตาตัวตนอยู่มันเราจึงมีพบเราไปเกิดในพบนี่แหละทึ่เรียกว่าชาติชา ต, ชาติเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องชาติปัจจียาชารามรนังโสกปริเทวะทตาาุกะตมนสโุปายาศัพพวันติ ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้สัมประวันติเอเมนจาเอลัสทุกข์ั้นทัสสะดูขั้นทัสสะสมุทัยโยโหตินี้คือที่เกิดอกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นไซตเกิดนะอะไรเกิดตัณหาเกิดจะเอาจอมตัวเดียวนี่แหละที่มันครองล็อกอยู่เนี่ยดูมาที่ใจของเราเห็นเพื่ออะไรความอยาก ด, ดูให้ออกอายากเป็นมักใหร้รู้ อยากเป็นสมุทัยข้อให้รู้อยากเพื่อโลภเพื่อโกรธเพื่ออิจฉาทุศีรษะฆาตนาญอยากเพื่อสมุทัยให้เรารู้ให้เราทันถ้าอยากตามอกมัอย่าให้ทานอย่ารักษาสินอยากเจริญสมาธิอยากพิจารณาทางด้านปัญญาอยากเดินจงกรมอยากนั่งสมาธิภาวนาอยากเจริญสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนความอยากอันนี้เป็นมั่งเอาความอยากที่เป็นมั่งเนี่ยไปชะล้างความอยากที่เป็นเรื่องของสมุทัย ไม่งั้นเราไม่มีโอกาสที่จะมีปัญญาเกเลรมันไม่ปล่อยไม้ปล่อยมือให้เราไปทํางานเพื่อทับถมหัวใจของมันเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญมาเอามากนี่แหละไปทับถมมันขณะเก่าสมุสมุทัยเกิดขณะเก่าเราก็สร้างขณะใหม่ที่เป็นเรื่องของมักไปทับถมมันเลยตัดออกมันดึงมันออกเลยทับมันไปเลยหายไปเลยขณะหังใจเรามีความสําคัญอยู่มันเหนียวแน่นมันคงเพราะเราไม่เคยย้อนมาดูเราไม่เคยเห็น เราย้อนมาปั๊เราจะรู้เราจะเห็นเราจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันตั้งอย่างไงมันดับไปยังไงหน้าตาก็มันเป็นยังไงดูแลจะเห็นคนอื่นดูให้เราไม่เห็นหรอกนอกจากพระศาสนาวิสัยของพระศาสดาพวกเราดูกันเองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวนี้จิตกาําลังโกรธใครรู้หรอกจิตกำลังโลภจิตกำลังราคาตัณหาไม่มีใครรู้เรารู้ clip. มันไม่มีอะไรปิดบังเราเท่านั้น hand, ăn, <laughs> ปัจจัตต่างปัจจัตต่างรู้เฉพาะเรารู้เฉพาะเรารู้เฉพาะเรา ผู้มีประจิตเช่ใ น, ในอย่างหลวงปู่ม่นเป็นปต้นหนึ่งท่ทนรู้เช่นอย่างพระพุทธเจ้าที่ทันรู้พระพันท่านสัพพัญญูสัพพัญญูพระพุทธเจ้าสัพพัญญูรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเาเพ ร, ะเระารรรระฉะนั้นประกาศพรหมไปอวดกับพระองค์โอ๊ยประกาศพรหมเอ้ยบารมีแค่นั้นจะไปอวดกับพระองค์ก็อวดเพราะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะจริงหรือ ไ อ, อ้งั้นเธอลองหลบไปซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ดูเราจะตามหาดูเห็น <laughs> ผู้ที่เจ้าท้าแหละท้าท้าท้าประกาศพรมคิดในใจพระองค์ยังรู้เลยไปโผล่เฉพาะนาผรมนี่มันอวดดีเว้ยทิฏฐิมานะเว้ยท้าประกาศพรงมเราไปดูในพระหงษ์เนี่ยบทสุดท้ายเนี่ยทุกขาทิฏฐิพุชเคนะสุธาตหาหทั้งพรมังวิสุติจุติมิประกาศพิธานางนั่นแะท้าประกาศมที่ผู้ที่เจ้าทรงชนะ ไปดูบทสุดท้ายของฟ้าหุงไปดูนั้นน่ะท้าประกาพรมนั้นแหละในสุดท้าประกาพรรมพอรับถาดีดีดีแล็ดีแล้วมเจฉาฝาดีแล้วเขาก็หายวับหายไปเลยเหหายจากตัวนะหายวับไปนูนแอบไปซ่อนตัวอยู่ในนกนั่นอ้าประกาพรมท่านอยากเป็นนกเลยตายแล้วพระองค์เห็นโหน่าขึ้นไหม หายวับปีนะ่ะไปซ่อนอยู่ตามกลีบของดอกไม้ปากกาพร้อมท่านอยากเป็นดอกไม้เลยตายแล้วไม่พ้นอีกแล้วไม่พ้นสายหูสายตาของโปรแล้วแน่ปวดนี่เก่งที่สุดนั้นน่ะเนี่ยปวดใส่พระศ ส, สดาเนี่ยหายวับอย่างนั้นไปอีกนูน่นไปละลายละเ ล, ลงอยู่กับเมด็ดหินเมด็ดทรายอยู่ใต้ท้องทะเลอ้าปากาพร้อมท่านอยู่สูงๆแล้วท่านไม่ชอบท่านชอบอยู่ใต้ก้นทะเลเลยตายแล้วลบขณะนี้ยังไม่พ้นอี่ อาตอนนี้ถึงคราวท่านบาปมาอาฟูเจ้ า, จาไปหลบแน่ๆพระองค์ไม่ได้ไปไหนพระองค์หายปั๊บตอนนั้นเดินจนกลมอยู่บนหัวพรหมเลยแหละว่าพรหมนี่เขาก็ตั้งท่าดูเนี่ยโลกธาตุไหนท่านหายตอนนี้ไปอยู่โลกธานไหนเราเก่งที่สุดวิชฉลาดที่สุดมีใครมาส่อนเห็นอยู่ตรวไหนรู้หมดเห็นหมดเข้าใจหมดดูโอยเกลือกตาดูทั้งกามลโลกทั้งรูปประโลกทั้งอารูปประโลกโลกกถาตไหนไหนที่มีที่ เกิดขึ้นที่มนุษย์สัตว์ไปซ่อนไปเร้นอยู่นะี่สซองดูสลุบลุปปรโรหมดไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรไม่เห็นพระองค์ยอมแล้วยอมแพ้แล้วพระองค์สถิตอยู่ที่ใดแสดงตนให้พระอากฏเธอรเราอยู่นี้เราอยู่บนหัวเธอปวดไหยคนปวดพระเจ้ารู้จริงเน่ยดูสุลุบลุโ ป, ปรโหมดเนะี่ยสิคุฑกับกระหัตินเนี่ยสิคุฑเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้เากรหัตินเป็นลูกศิษย์ของนิครณ เป็นเพื่อนกันเวลาไปเจอกันเขาก็คุยใส่กันเลยสิริคุทเขาคุยว่าพระศาสนาคือพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไอ้นั <c oughs> ้ น, น ก, ก็จริงหรือกระหัตินก็บอกจริงหรือถ้าอย่างนั้นเธอลองนิมนต์นะให้พระองค์มาให้พระองค์มาเสวยพร้อมทั้งพระเจ้าประสงค์ห้าองค์มาเสวยที่บ้านของเราเราจะจัดการต้อนรับเลี้ยงดูอย่างดีเลยต้มข้าหกอ่า กระถินเา้าโกหกนะเขาเอาเขาเอ า, เขาเอาตุ่มผัดนะตุ่มผัดสลับใส่ข้าวอยางคุไปเรียงรายเอาไว้ไม่มีไม่มีผัดสักเม็ดเลยไม่มีอาหารสักเม็ดเลยเขาไปเรียงแล้วหล่อล่อเสร็จแล้ววางอาสนะเอาไว้เป็นแถวใครก็ตามที่จะก้าวไปขึ้นไปนั่งบนอาสนะนจะต้องตกหลุมฐานเพลิงเผาฐานแดงระอุนักกลบไว้ข้างหน้าทางอาสนะที่จะขึ้นไป พระเจรู้หมดทําไงรู้หมดทําไงรู้หมดทําไงรู้หมดแต่พระองค์ก็ไปพุทธานุภาพนะ่ยสามารถไปได้นะรู้ว่ามีหลุมทันเพลิงรู้ว่าองค์ต้อมองค์หลอกพระองค์ก็รับปากพระองค์ก็เสด็จไปแต่ความนึกคิดของพระธินเก็บอกว่าถ้าพระองค์รู้จริงพระองค์อย่าได้เสด็จมาเพราะงั้เขาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปเขาก็มั่นใจนี่พระองค์ไม่รู้จริงนี่นะ ถ้ามองรู้พระองค์จะไม่มาพระองรู้อยู่แต่พระองค์ก็ยังไปพรก้าวปั๊บปัข้ามไอ้ตรงที่เขาเกลียถ์านไฟเอาไว้ข้างล่างอะร้อนระอุเพื่อที่จะตกหลุมน่ยนะดอกบัวก็โผล่เท่ากระดองบับบับพระองค์ก็ก้าวไปนั่งได้สบายพระก้าวไปนั่งได้แล้วไฟที่เขาจุดเอาไว้เนี่ยดับหมดมอดหมดไงไฟเราเนี่ยมอดหมด ภาษาว่าก็เป็นั่งได้สบายสบายตายแล้วตายแล้วตาวอกเปล่าๆไม่มีอะไรเลยทําท่าเป็นตกใจกลับไปสิริคุณไปเปิดดูเต็มหมดมาจากไหนล่ะมาจากไหนนั่นรมาจากไหมรู้อยู่แต่ก็สามารถแก้ได้ทําได้บา ร, รมีแค่นี้ยิบย้อยสามารถช่วยเหลือพระองค์ได้ นี่คือสัพพัญญูสัพพัน ญ, ญูแท้อาศจรไหมยอยากได้ไหมยอยากมีไหมเราตามหลังพ่อองคไปสิใครมีบุญญาธิการมีฤทธิ์มีเดชมียปิญญาได้ฤทธิ์เดชปิญญาอย่างหนึ่งถ้าเรามีบุญญาธิการเรามีบุญญาบารมีขอให้เราได้ดได้ทํำได้มักได้ผลนี้ฤทธิ์เดชวิเศษที่ประเสริฐที่สุดเลิศที่สุด ที่จะนําเราพ้นทุกพ้นโทษในวตฏสงสารไม่มีอะไรที่จะเลิเล่เรอเท่ากับสิ่งนี้แหละสิ่งนี้จะทำให้เราเลิ่ที่สุดประเสริฐที่สุด mm hmm. แนวทางวิธีการ mm hmm. ก็คือสมะถะธรรมวิปัสนาธรรมสังวรธรรมสังวรประธานผานประธานภาวนาประธานรักษาประธานความภากความเพียรวิทยะความอดความทน วิริยะความภาคความเพียรขันติความอดความทนสติธรรมสัมปชัญญะธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมนี่วิธีการเนี่ยที่พวกเราตั้งหอดต้องใจทำเนี่แหละนี่แหละคือวิธีการที่จะก้าวตามหลังพระองค์ไปมีโอกาสไหมแล้วมีโอกาสมีโอกาสที่จะบังคับจิตของตัวเองให้ได้รับความสงบสงัดไหยบังคับได้มันก็สงบได้ มับจริงๆมันก็สงบได้จริงๆสงบมากสงบน้อยนี่เป็นร่องรอยที่โปร่งแสดงเอาไว้มันเลือดบาง ก, กว่าแรงในผลที่ละเอียดพวนี่ขึ้นไปอีกก็ต้องอาศัยเวลาเราก็สงสมอบรมไปเราจะไม่เสียท่าเสียทีเราจะไม่ได้ทำนิว่าเราไม่ได้เกิดในกาลสมบัติเราไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพักพระศาสนาแต่คําสอนของพระองค์เพียบพร้อมหมดสมบูรณ์บริบูรณ์หมด ดูในเรื่องของสมถะไปดูที่อารมณ์ของสมถะสี่สิบห้องอารมณ์ของสมถะสี่สิบบทที่เราไปเจริญให้กิตของเราได้รับความสนุกอารมณ์ของวิปัสสนาเรามันไล่โดที่มันนับยู่ที่ที่พระองค์มาทรงแยงแยนขันห้ายัตนาสิบสองธาตุสิบปดอินทรีย์สิบสองอริยสัจว์่ไล่โดยที่มันเป็นเท่าไหร่ เอาบทใ ด, ดบทหนึ่งไปพิจารณาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาไม่เหนือไปจากกายนี้ไม่เหนือไปจากจิตนี้นี่คือ ป, ปริพศนาตามหลักตามระบบที่ท่านวางไว้ในหลักปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อิอาศัยการเกิดขึ้นทําไมเราจึงเกิดทําไมเราจึงเกิดทำไมรเไมราจึงมีแก่มีเจ็บมีตายแต่เพราะเรามีเกิดทําไมเราจึงมีเกิด เพราะเรามีที่เกิดเราจึงไปเกิดทําไมเราจึงมีที่เกิดเพราะมีการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาด้วยปาทานตัณหาภารยิจที่เป็นตัณหาเป็นอุปาทานตัณหาปาทานมาจากไหนมันก็มาจากความยินดีความยินร้ายความสุขความทุกข์อุเบกขาความวางเฉยที่เรียกว่าเวทนาเรายึดในเวทนามันก็เกิดตัณหามันเกิดอุปาทานมันเกิดภพมันก็เกิดชาติมันต้องมีผู้ยึดซะก่อน มีตัวยึดตัวอัตตาที่จิตตรงนั้นมันยึดมั่นถือมั่นด้วยอัตตานั่ยแหละเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดพบหมายถึงพบต่อต่อไปที่มันจะเกิเกิดขึ้นมีขึ้นพบฌานของเรามันไม่จบไม่สิน้นถ้าเราเดินทำระบบของตัวนี้มันไม่จบไม่สิน้นแต่ถ้าเราพิจารณาตามหลักของวิปัสสนาของสมถะของวิปัสสนา เดินตามร่องรอยของปฏิจจสมุปบาทเราจะรู้เห็นเห็นเหตุปัจจัยของมันตัณหาเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงแล้วก็ดับไปยังไงตามหลักมาจิปทานนี่คือแนวปฏิบัติข้อปฏิบัติทั้งหมดประทานมาจากเวทนาเวทนามาจากอะไรมาจากการกระทบกันระหว่างอรยธนรภายในอยธรรภายนอกผัสสะ ภาษาเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นจากอยิจฉาภายนอกอิตนาภายนอกเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดจากการมีนามมีรูปนามผู้เกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากวิญญาณมีใจดวงเดียวเพราะฉะนั้นต้นต่อของนามรูปคือใจก็คือวิญญาณใจมาอย่างไหนมาจากการสังสมตรวของมันเองที ok er okay? pues ่เรียกว่ากองสังขารกองสังขารมาอย่างไหนสังสมแล้วแล้วเไม่จบไม่สิ้นก็เพราะ วิชาความโง้อความหลงหเราเองไม่รู้ว่าสิ่งนี้ทําไปแล้วเกิดคุณหรือเกิดโทษตัวนี้แหละตั ว, ตวพวกเราทั้งหลายอับจนเพราะเราไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงนะว่าอะไรที่จะเป็นเหตุนําเราไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงวิชาวิชาเวลาเราเจริญในขณะที่เราเจริญนั้นห น, นทางที่เราเจริญในขณะที่เราเจริญมันจะเกิดวิชา คือความรู้เอาได้มารู้เอาได้มาเป็นตัวรู้สติธรรมสัมปชัญญะธรรมเป็นตัวรู้เป็นวิชานะั้นนะไม่ใช่อวิชาตรับได้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในท่าทีที่เราต้องอกตั้งใจเจริญรอยตามทางอนทางที่เราตั้งใจปฏิบัติเลยมันเป็นวิชาทําลายความหลงทําลายความมืดบอดทําลายความโง่คือวิชาตัวสติธรรมตัวสัมปชัญญะธรรมตัวนี้เลย เป็นตัวทําให้เกิดสติทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดสมาธิทําให้เกิดความรอบรู้เกิดปัญญาทําให้จิต ด, ดวงที่มันหมึดทึบๆตัวนั้นสว่างสวัยขึ้นมาเราดูไปที่ใจของเราเวลาใจมันสงบเนี่ยเพราะหนึ่งมีแสงสวา่างเพราะอํานาจของสติธรรมสัมผัสันอย่างธรรมที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยการที่เราเจริญวิชาอวิชามก็ดับเมื่ อ, อวิชามดับ ตัณหามันดำเพราะตัณหาที่มาสวมรอยแทรกมากับความมืดเมื่อมีความสว่างจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราตัณหามันแทรกขึ้นมาแล้วตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ที่ท่านว่าดับดับดดับนิโรธวาระคือดับสายดับหมายถึงอะไรดับตัณหาดับตัณหามันดับตัณหามันดับสังขารยังมีอยู่ปัญญาณยังมีอยู่ นามรูปยังมีอยู่ผัสสะยังมีอยู่เวทนายังมีอยู่แต่ไม่มีผู้ยึดเวทนาไม่มีผู้ยึดผัสสะไม่มีผู้ยึดวิญญาณไม่มีผู้ยึดอายตนะภายในะอายตนะภายนอกแต่ว่าสังขารยังมีอยู่ แต่มันหมดตัณหามันดับตัณหามันดับเพราะฉะนั้นคําว่านิโรธวาระนิโรธคือสายดับคืออะไรดับคือตัณหาดับชีวิตจิตใจของเรายังมีอยู่แต่ความอยากในใจของเรามันดับตัณหามันมอดตัณหามันดับเมื่อตัณหาดับแล้วอุปาทานมันก็ดับเมื่ออุปาทานดับพบมันก็ดับมันไม่มีผู้หมายอะไรมาเป็นผู้หมายไม่มีตามันดับ อัตตามันดับตัวตนมันดับเพราะตัณหามันดับระบายที่ตัณหามันโผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาระบายที่อัตตาตัวตนไม่โผล่ขึ้นมาตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะตัณหาตัวนี้นําเราไปสู่อัตตานําเราไปสู่ความเกิดขึ้นเป็นอนัตตาแต่เราไม่เห็นข้อเท็จจริงตามที่พุทธิยทรงตรัสเราก็ยึดถือเป็นอัตตาเป็นอัตตาเป็นอัตตาอยู่นั้นแหละอยู่ร่ําไปอย่างไม่จบไม่สิ้นี่ ปาทานนำไปสู่พบเมื่ออปาทานตนามันดับแล้วปาทานก็ไม่มีพบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีสโสกภริเทวะชรามรณะภริยาทีสโสกภริเทวะทุกขทมนัสเอาปายาซึ่งเป็นปลายเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงดับดับเพราะตันฐานดับอย่างเดียวยังอื่นยังอยู่ยังอื่นยังอยู่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะต้องมีนามีรู ท่านจะต้องมีจิตใจที่เอามาบอกมาสอนได้แต่อวิชฌามันหมดไปแล้วเหลือแต่วิชฌา้าสว่างโรคไม่มีอะไรมาบดมาบังเนีน่ทิศฉัพูดเอาไว้โดยลำดับทำให้เราเรียนศึกษารู้แค่นี้ก็ทำให้เราได้กลุยหมายป้ายทางออมาพิจารณามาไล่ในเรื่องเหล่านี้การที่เราเข้าใจเรารู้เรื่องเป็นการที่ทาให้เรารู้กลยุยหมายปลายทาง ดีเราดีว่าเราตั้งใจปฏิบัติไปยังม้หนโกตามบทไม่รู้วิธีการยังไงแผนผงังแผนที่หนทางที่จะพึ่งเดินเดินไปตรงไหนหนเมื่อเราไม่รู้จักช่องทางเรามีอริยมรเรามีบทที่เราเดินเราก็ตั้งใจเดินไปตามนี้เพื่อศินเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อความบริสุทธิ์ของทิฏฐิของเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิวิสุทธิอุณีก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะ กาจะขยับไปเรื่อขยับไปเเราตังาต้งใจทําไปดูไปแล้วเหมือนจะเอื้อมถึงจะได้จะได้จะได้ไม่เหลือบากว่าเลยค่อยเราต้องต้องใจทำอโอ้ภาวนามาแป๊บเดียวก็เป็นชั่วโมงกันนะอริยะนี้เรานั่งภาวนาก่อนออกจากภาวนาเราค่อยมาพูดตอบปัญหากันนะเอาเอาขาที่ภาวนา เอาไหนจริงจังเอาให้ยูนะคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วสำหรับรอบนี้นะพวกนี้ก็ไปทำบ้านใครบ้านเราแหละเอาเลยเริ่มโยกเลยนะเริ่มโชวแล้ว ให้นะจะไม่เห็นคนสบงออสบงนะอืย่าสงบนะเอ้ยท่นไม่ได้หันมานี่สบงบ ก, ก็ได้วะไม่ได้สบงบวิชามก็ครอบตัวคำหามก็ครอบความทุกข์มัก็ครอบเราต้องการจะดักมันต้องการจะรู้หนา่ารู้ต่างมันต้อง อ, อกตั้งใจรู้ สว่างโร่เฉพา ะ, น ห, า ะ, นะะหน้าเรามีปัญหาเยอะไหมคือมองหมดไหม ภาวนาสักครึ่งชั่วโมงเด็กไม่ไหนอ็ขอไม่ตามู่นี้นะขอเลยหม่อือืมอืม จริงจังนะเพิ่งสามทุ่มห้านาทีกลคืนได้ยินว่าอยู่กันคนละครึ่งคืนครึครืนเรากลัวเสียเปลี่ยบกันเมื่อคืนเราก็ไปอยู่ตางเที่ยงคืนกับ40นาทีเมื่อคืนกลัวเสียเปลี่ยหมงแต่เรามีจังเดินเราไปเดินไปนั่งห้อเรา